พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สองมกราคม2560 ม, ม, ม, มีชื่อเรื่องว่าหมาเฝ้าทรัพเอาลูกหลานอยู่ในความสงบถามลูกหลานผู้ใดมีเสียงดัง จะออแแอให้รีบ อ, อุ้มไปออกไปข้างนอกอย่าออกมาไว้ที่นี่ใ ห, ใหญ่ซะ ก, ก่อนยังค่อยออกมาฟังเทศหลงตามาฟังคําพูดหลงตาถ้าหากว่าเราเอามาลูกหลานของเราใช่พ่อแม่ได้ยินลูกหลานตัวเองดีใจแต่คนอื่นได้ยินลาคาญเพราะฉะนั้นตเราต้องคิดถึงคนอื่นเขาที่เขาลาคาญกับลูกหลานของตนเพราะว่าลูกเขา ผู้ที่มาก็มาอยากจะมาฟังฟังเทศฟัง ม, มาฟังหลวงตาอินพูดนะแต่พอมามีแต่เสียงเด็กอ่อแออแอไปหมด เ, เราต้องคิดถึงใจเข า, เ, าเป็นลูกของเราหลานของเราอุ้มไปอกออกไปอุ้มออกไปข้างนอกไว้ก่อนอในเมื่อมันใหญ่เลยค่อยเอามาฟังนะมีใจหวาดออกมาแล้วก็ เรามาทั้งทีมาเพื่อฟังนะมาเพื่อฟังมาเพื่อการศึกษาถึงจะมีเวลาน้อยก็มาฟังครูบาอาจารย์พระสงองค์เจ้าอยู่ในป่าดงผงไันะ่ท่านจะมีอะไรให้ฟังจ่นจะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวอย่างไรอันนี้พวกเราอยู่ในบ้านในเมืองเต็มมีแต่คุกคลีกันรรมาค้าขายรรมาหาเลี้ยงชีพนะ ยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ละวันแต่บัดนี้เป็นวันเสียสละมาไหว้พระในเมื่อมาไหว้พระเราก็ต้องหามุมสงบมุมสงบเห็นไหมพระพุทธรูปองค์สีดําของเราเนี่ยท่านนั่งนิ่งพระพุทธปฏิมาแต่พระพุทธปฏิมาที่พวกเรามองเห็นนะเป็นผ้าหินนะลูกหลานนะผ้าหินหินแกลนิตหินดํา กันแลวันนินสเปนมาจากประเทศสเปนนะแต่หลวงพ่อเขาไม่เคยไปเราประเทศสเปนแต่เขาใส่ตู้ตู้คอนเทนเนอร์มาจากนั้นก็าอบขึ้นไปแกะทางจังหวัดเชียงรายพระอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยแกะพระเนี่ยนะจากนั้นเขาแกะเสร็จแล้วเก็มาส่งถึงที่ทางพระประธานด้วยทางพระสาวกด้วย เป็นหินนินสเปนค่าแกะค่าแกะสลักล้านแปดแสนห้ามื่นนะราคานะและกระถางทูบเนะี่ยใหญ่ๆเนี่ยนะเขาแกะมาให้อีกที่หลังที่แรกแกะมันน้อยกันไปเล็กะลกวงพ่อให้แกะใหม่อันนี้กระถางทูกในะแสนหนึ่งแนละ้วเรลูกล้านแล้วนะกลวงพ่อหลกวกครวคนจะแบกไปอยู่นะ สี่สี่ห้าคนยกก็ยังไม่ได้นะมันหนักนี่แหละคือพระพุทธปฏิมาของเราถ้าดูใกล้ๆแล้วจะเป็นลายลายสายแพร่ที่ในองค์พระนะแต่ถ้ามองใกล้ๆเน่สีดำแต่ตามไม่จริงก็น่าจะให้เขานะราคาขนาดนี้พอยไรถ้าแก่ก่้วยหลว ง, งพ่อนะ่ะไม่จ้างใครลนะ ไ, ได้แกะหินใช่ไหม แกเห็นราคามันแพงมันแข็งอะ่ะพอแกะแล้วก็สวยงามเป็นพระพุทธปฏิมาเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่เห็นไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเนเขาแกะมาแต่โบราณแต่ประเทศพม่าเขาแกเขาแกะอีกอย่างนึงพระจีนเขาแกะอีกอย่างนึงที่เบกแกะอีกอย่างนึง แต่เมืองไทยของเราเก็กแก่คล้ายๆกับเมืองลาวเมืองลาวก็ยังรั่วเป็นพระเมืองลาวอีกต่างหากนะแต่คนก็ต่างแก่จินตนาการใครจินตนาการเรานะาวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สองมกราคมพุทธศักราช25งพนะันห้อสบพระงพ่อพูดห0สิบมาสองวันแล้วนะลูกหลานนะพูดเต็มปากเต็มคำนะ ปีพุทธศักราช 2,560 เนะมืม่อวานนี่ก็พูดวันนี้ก็ได้พูดเป็นสองวันแล้วเนะี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่เมื่อวานแต่วันนี้เป็นวันเก่ามานอยหนึ่งละวันนี้แต่ถึงอย่างไรก็ให้พวกเราคณะสัตาญาติโยมลูกหลานทุกคนปรับปรุงแก้ไขการกระทำของเรากายวาจาใจของเรา ให้เป็นใหม่ที่ให้พัฒนาให้ดีขึ้นที่พวกเราทํามาก่อนมัก็ะดีแต่ให้ดีขึ้นไปอีกพอยลายพอเราทุกคนไม่ใช่ว่าเรามีเงินบาทหนึ่งก็ให้อยู่บาทหนึ่งเพ่อเผลยังให้ลดลงไปห้าสิบสตังค์ใครใครก็คงจะไม่ต้องการอย่างนั้นในเมื่อมีบาทหนึ่งปีนี้ปีหน้า วันพรุ่งนี้เราต้องการอีกสองบาทต่อไปเราต้องการอีกสามบาทก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะมนุษยชาติของเราต้องการความเจริญก้าวหน้านี้ก็เหมือนกันนะั่นะเราอยากจะได้เงินเงินคำทรัพย์สมบัติก้าวหน้าแต่ว่าความประพฤติของเราเราก็ต้องมองไปด้วยกันอีกเหมือนกันนะ ส, ส, สิ่งไหนที่มันไม่ดีที่ผ่านมานะ เราควรจะปรับปรุงแก้ไขการกระทำของการกระทาของเราให้เป็นคนที่มีใจอ่อนโยนมีใจเยือกเย็นขึ้นบ้างแต่ก่อนบางทีเราก็ฟูดฟิตด่าคนนั้นด่าคนนี้จนพี่น้องลูกหลานที่อยู่ใกล้ชิดก็เดือดร้อนฟุนวายไม่สบายใจ เ, เราก็ต้องใจเย็นลงบ้างแต่ถ้าพูดก็ต้องพูดมีเหตุผลอสอนให้เขามีความรู้ สอนให้เขามีสติมีปัญญาเราต้องคิดเน้นมีความในใจของเราอย่างนั้นไว้ก่อนถ้าไม่พูดไม่กล่าวอะไรเเลยซื่อบื้อไปเรื่อยๆลูกหลานเป็นคนโง่เง่าเต่าตุนอันนั้นก็ไม่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของตระกูลอีกเหมือนกันแต่เราพูดปนไปบ่อยก็ททำให้คนที่มาใกล้ชิด พอเราอ้าปากขึ้นมาจยากจะสอนเขาบอกเขาเขาก็รู้แล้วว่าจะพูดเรื่องอะไรเขาก็แผ่นนี้อีกแปลว่าไม่อยากจะฟังฮ่ะนี่อันนี้เราสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทบ ท, บ ท, บทวนดูตัวของเราอีกเหมือนกันนะนะที่เราเป็นผู้ใหญ่แต่ตามไม่จริงก็ต้องสอนต้องบอกนั่นแ่ละลูกหลานถ้าไม่บอกไม่สอนลูกหลานไม่ได้นะแต่หลวงพ่อเองนะ หลวงพ่อเป็นเด็กน้อยเป็นเนนน้อยอยู่กับหลวงปู่กูบาอาจารย์หลวงปูล่ลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ในท่านสอนเถี่และเกินะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นออแต่เราได้ยินบางทีก็ลำคาญแต่ตามพร่จริงท่านก็สอนวิธีการกลัวจะเราจะหลงลืมบางทียกประเด็นนี้ขึ้นเกา่าบางทียกประเด็นเกา่าแต่อธิบายเป็น แนวอีกแนวหนึ่งยกประเด็นขึ้นมาแล้วก็ท่านอธิบายบอกกล่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้เปรียบเทียบให้ฟังแต่พอมาถึงจุดนี้ยพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราจึงลำเลิกได้โอ้คุณบาอาจารย์ท่านเจตนาดีท่านสอนอยากจะให้เราเป็นคนดีในเมื่อมาถึงจุดนี้เราเป็นสมบัติของเราเองความรอบคอบในจุดนั้นนี่แหละแต่เมื่อฟังทีแรกก็ชักจะลาคาญ ในการในการสอนแต่พอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็สำานึกได้นี้ก็เหมือนกันพยายามพ่อแม่ปู่ย่าตายายพยายามสอนลูกหลานเก็บหอมลอมริบแต่ถ้าหากว่าสอนไปในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะเราต้องใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาอะไรจากใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เราต้องศึกษาก่อนก่อนที่จะสอนเขานะไม่ใช่ว่าเราการกะสอนเขาไปเรื่อยออไม่ได้นะสอนไปในทางที่ผิดมันก็ผิดไปเรื่อยนะ เ, เพราะฉะนั้นต้องสอนไปในทางที่ถูกต้อง เ, ออเราต้องใช้หลักธรรมพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคําสอนของออพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ได้ศึกษาจะก่อนอ่านในหนังสืออ่านในตํำรับํารา เข้าใจแล้วเอออันนี้เป็นคำสอนที่ดีเราควรจะมาขยายผลให้กับลูกหลานของเราได้ศึกษาให้เขาเข้าใจในหลักธรรมคำสอนเอ อ, อย่างนั้นมันจึงจะถูกได้ไม่ใช่ว่าเอาความคิดของตัวเองมูเมียก็สอนอยู่นั่นแะ เ, เหมือนกับพามโตทยพามสอนลูกนะลูก ơi, เ อ, อ้ต้อง ต, ต้องประหยัดนะ ไปแบ่งปันใครไม่แดงมันหมดนะเห็นไหมน้ำาจาหยอดตาเนี่ยหยอดเพียงและหยดเท่านั้นแหละมันก็ยังหมดขวดได้แล้วเงินเหมือนกันนะ่ะให้เขาทีละน้อยทีละบาทสองบาทก็หมด เ, เงินในกระเป๋าได้ต้องเก็บวันถึงต้องเก็บให้ได้ เ, เห็นไ้ยจอมปลวกปลวกนะ่ะ เออมันตัวเล็กๆแต่มันคาบดินขึ้นมาก่อจอมปลวกมันยังเป็นจอมปลวกที่ใหญ่ได้เนี่แหละการพอกพูนของเงินในตระกูลเนี่ยต้องเก็บหอมรอมริบนะอย่าไปใช้สรุยสุไลนะอย่าไปจายนะเทนี้นท่านกอดพอพ่อสอนหลายครั้งต่อหลายหน ล, ลูกชายก็เบื่อขี้หน้าอีกเหมือนกันนั่นอย่างที่ลุงพ่อพูดนะเออเจ็ดนัดนนนะนนข่านกอไม่ได้ จากนั้นก็เอาพราหมณ์ตั้งพราหม์ขึ้นมาแลพราหม์ขึ้นมาก็มาสอนแนะนำแนะนําพรามหมณ์เหล่านั้นเองสามวันสอนวันละสามเวลาเนี่ยพอสอนวิชายอย่างอื่นเสร็จแล้วก็โค้งท้ายกันเลยแหละให้ประหยัดนะใช้คําพ่อนะมาสอนลูกชายให้ประหยัดนะถ้าเราใช้ชู่ชยเหลือมันหมดเห็นไหม น้ำยาหยอดตาทีละหยดมันยังหมดได้แต่ปวกมันข้าบก้อนดินขึ้นมาในพื้นดินมาก่อจอมปวกนะ่ะมันกําก่อทีละเม็ดท่านนะ่ะมันยังเป็นจอมปวกได้อันนี้ก็เหมือนกันเราเก็บทิละบาททิละชัตังเราก็รวยได้มีแต่สอนอย่างนั้นหน่อยคือไม่ให้ตกฝากลากดินเลยเงินสอนให้กินตะหีทีเหนียวเของกันให้ประหยัดพอในสุดพ่อก็เลยตาย พอตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นหมาเนี่ยอพอไปเกิดเป็นหมาหมาดําใหญ่หมาดํำพอามาเกิดเป็นหมาเนี่ยหมาเป็นมาลูกตัวเดียวเนี่ยหมาตัวนั้นหมาตัวเมียเนี่ยเกิดมาลูกตัวเดียว ล, ลูกชายเนี่ยก็โอ้เห็นหมาที่รักรักรักหมาตัวนั้นเหมือนแต่นิสัยดีอีกมันรู้จักความอีกต่างหากหมาตัวนั้น แ, แต่ที่แท้คือเพราะพ่อของตัวเองมาเกิดเหมือนกัน มาเกิดเป็นหมาลูกชายนี่กรลักหมากไปที่ไหนเอาไปด้วยอาบน้าใหา้เลี้ยงอาหารหมาตันนั้นก็โอ้อยู่กับ เ, เจ้าเจ้านายคื อ, ค อ, คอลูกชายนั่นแหละดีผลในสุดวันหนึ่งพระพุทธเจ้ามองเห็นอุปนิสัยของลูกชายลูกชายที่เป็นลูกของอพริเศษฐีน่ รองค์กับพระอนุลกับปิบินทบาทพอปิบินทบาทพระองค์เดินไปเดินไปหมาตอนนั้นออกมาเหา่เห า, หาเห่นนาว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊น๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊เ๊ว๊ว๊กกส๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว่ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊ว๊วเลยมาเกิดเป็นหมา๊ว๊อแล้วจว๊วา เขาเราอยู่เลยเนี่ยฮะเพราะว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนท่านไม่ได้สอนหมานะท่านสอนหัวใจของหมาเนียหมามันก็มีหัวใจความนึกคิดเหมือนกันเนะสั้นสอนจุดนั้นเลยพ อ, อหมาท่านั้นได้ยินท่านั้นนะใครก็ไปตามม้อยเข้าเลยว่า้นเถอะคล้ายๆรู้จักตัวเองเลยถึงพอแล้วก็ เข้าไปนอนวันนั้นโตเยระพามไม่ไอ้ลูกชายไม่อยู่นั่นแะออกไปธุระทางนอกนะเออหมามิจจะหมาออกมาเห่านะวันนี้พอลูกชายกลับมาน่ะไปเรียกหมามาห ม, มาอยู่ไหนไปที่ไหนไปคุกขี้ฝุ่นอยู่นะเอไปคุกขี้เท่างนั้นไปนอนขดจุ่งเงินแต่คล้ายๆว่าเสียใจยังมากเลยวันนะเออที่พระพุทธเจ้าตัด บอกกล่าวอย่างนั้นเหมือนกับรู้จักจกรรมพืชของตนเองเลยเหนืนอน ก, กัอรู้จักเอในความคิดในใจของตนเองเลยเอรู้จักในอดีตชาติของตนเอง เ, เอป็นนอนคุกในขี้ฝุ่นพ่อพอูดลูกชายมานะ่ะเอเศรษฐีมาเอา้าหมาไปไหนล่ะไปเรียกมาเจ๊พอเรียกมาหมาเป็นยังไงก็ไม่รู้เมื่อเช้าหนึ่งสมณะโคโดมพระเจ้า มาบินฑบาตกับท่านพระอานุ์มาเดินผ่านเนี่ยหมาไปเห่าหมาไปเห่าก็เลยบอกว่าเนี่ยโต้ธยาภาพเธอไม่รู้เหร อ, อทําไมเกิดมาชาติได้ขี้ตะดีทีเดียวไม่รู้จกแบ่งปันบนบัตรนี่ตายแล้วมาเกิดเป็นหมาเนี่ยอไม่รู้เลยจะมาเห่าเราอีกทําไมล่ะฮะลักษณะอย่างนั้นแหละการพูดกับหมาเนต่นนี้จากนั้นหมาก็นั่นเลยเสียใจง ไอ้โตทยาไอ้ลูกชายของเขาโหทําไมหาดูถูกว่าพ่อของเรามาเกิดเป็นหมาขนาดนี้วะไอ้เหมือนขอโมโ่โหขึ้นมาอีกเหมือนกันเนี่ยเศษตีตอนนี้หมาตัวนี้ก็เออเอาเอาม า, มากินข้าวมันก็ไม่อยากิจะกินข้าวนะมันเห็นข้าวอหารมันก็มันไม่กินข้าวเลยมีจนะจะเป็นนอนนุบเออขุกขุกขี้เท่าขี้ฟุ้นขี้ฟุ้นเนะีที่เตาไฟเพราะงั้นอนะ่ะ อพอคนโบราณเขามีเตาไฟแล้วเขาม่เกียรๆแล้วก็ น, นอนทนั้งที่หมาสะอาดใช่อาบน้ำให้ทุกวีทวันแต่มันไปคุกคิดกี่เท่านอนนะจากนั้นลูกชา ย, ยก็ไปไม่ได้เลต้องไปถามสมมณะโคดมพุทธเจ้าทำไมพูดอย่างนี้วะดูถูกชัดๆเลยเนี่ยวาลักษณะอย่างนั้นหละเศรษจีก็เลยไปพาบริวารไปไปกราบพุทธเจ้าส ม, มณโคดม